อันเว้าค่อยๆก็ได้ดอกอีนางมันสิได้ยินมันสิฮ้ายเอาล่ะเว้าค่อยๆก็ได้ข่อยนั่นหูบ่หนวกดอก บ่ใครได้ยินปานไดเอ้าได้ยินอันเหลียวแม่เจ้าฝันไปเฒ่าบ้าสิตัวเฒ่าอันนี้เบิ่งกันห่าแม่นสิฝันกะบ่ต้องว่าฝัน โอ้ยยะถถามถ่อยายบุญกรอบเอ้ยอันสุมื้อนี้น่ะข่อยกินก็บ่แซ่บนอนก็บ่หลับกินบ่แซ่บเบิดมื้อแล้วก็ติบ กินข้าวบ่แซ่บเบิดมื้อแล้วก็ติดหือจังแม่นสีแตก ก็สิเบิดปานนั้นก็ย้อนว่ากินหาหม่องมันเอ้อเอ้าหม่องนี่ ว่านอนบ่หลับจังได๋มาฮอดมื้อเช้าจังซานอันเฒ่านี้อันที่ว่านอนบ่หลับตื่นเดี๋ยวฮอดมื้อเช้า กนสยามไดน้อข่อยคือบ่ได้ยินแน่น้อหึเฒ่าโกยสิได้ยิน ออบนั้นว่าข่อยฝันโอ๊ะอันข่อย <aunque S 2> เมื่อืนี่ี่่อยฝันฝันดิบฝันดีฝันแทกฝันหัวฝันหัวฝันมวนฝันถึกส่วนเพโอกเพราอใจฝันเมื่อไดกับว่าครืเมื่อนี่นอนกลังเว้นกขิดจากฝันน้องกันวันนี่ก็คิดจากพ่อฝันบอที่ก็อยากฝันตืมหลบลืมนี้ดีดีดีกระจําได้ ฝันถูกส่วนพออกพอใจแม่นเจ้าฝันว่าจังได๋ เว้ามานี่จังแม่นซื่นใจหลายซะเนาะเฒ่าป๊าดโธ่ ละแม่นผู้ใด๋ให้สู่ฮู้จักว่ามันเป็นลูกไผชื่อมันว่าจังได๋ก็ยังว่า แม่นไผสิบอกได้ก็อย่าว่าคนฝันฝันๆฝันฝันจื่อได้บ่เฒ่าโกยก็ยังว่าคนฝันมาอันเฒ่าสิตายหยังนอกใจผัวคั่นบ่บอกนับตั้งแต่มื้อนี้อย่ามา สัมผัสตื่นขึ้นมาล่ะแม่ไปไปอยู่ไปอย่ามาอยู่กับข้านี่ไปป้าโถอะโถโถโถมันสิกล้า อันเรื่องหยังสิบ่กล้าไล่อันซาดว่าเมียนอกใจไปไปจ้างสักข่อยมาเว้าก็ เฮียนไผก็ตราบเมื่อมันบ่ดีต้องไหลนี่อย่าสะลือ <ES> ขันกาบานหอมนูญะอ่ะให้ด่าเลยโลดนะงา นําําผูฝ้ามาฟังคอหรู้สวฟ้าอยู่ไในวันສພวเมຕงกนแພกຍว่าຕตเม้เมียตอພัวเมียต่อ de aigú som s'úm som ú hú Lui dey viên viên nà la oam te ngay Pàc bóc, biên bóc hoa kai bóc rà Trình hàu ngọn vô bó báy Àn mi năn bóc khóa báy Nay ràng khoảng mạc khóa hi mê Thuộc lung lối táng miệt khóa bà măn bòi chắc bóc Àn mi Bà tí hắn úi trò, mái phóng ấu luộc Ai bau sướng vô hiên cà, Ai bau tràn hiên vô mòn, Si hết tràn này đó, no. Nhoàn bát bờ liệt, Ai chứng tâm hay rọc vấn mòn, Ai loài liên hòa vi noan, Nham phò mè nâng Gat fin van, fin fin, bò xin bà, ไปไปมามาพวังรู้โตนแม่ชิ้งก็ผ่านนั้นทุกที่ฟังตื่นมาเช่นพาจันชีเป็นตัวเรียกว่าอย่าเปิดทำร่อยจนควรกุ่มดอกพันชิวในที่อานี้หาเรียงชิวพวดว่าต่างนั้นข้าวหลังเนี่ยโน หลูกสปลที่เสื้อบุความรยเลยยในพยงາสว ที่ลมนั้นหัน แตงดอกแปงห้อยเด้หนอออกกันบ่อยไปทางเข้าเข้าดูสิใครบ้าน สายราบบังดีน้อยบอกจับไปปล่านบังดีน้อยน้อยจ้าวจากศมายะยะขึ้นออกฝืนมาน้อยยุมแมนผู้เท่นอื้ยน้อยผู้เท่นเลือกเดี๋ยวสุดเฉยนิ่งนั้นสำตัง เดี๋ยวคือไร้ขาดรัฐภาจึงไว้บุญหวัง Bằng nhạc uối thang lạc, Bòi thì phíang กลับมาเว้นแนวใดพ่อแม่ติดคะนั้นย่าน่ะ ก่มหลูกสาวความย่าทกเขียงกันไหลทอเรื่องพ่มจริงเป็นย่อนฝันอย่าใจฝอยให้ไฟกลุ่มเทอ บัดใดมานั่งฟังพ่อแม่สัปปตาเถียงกันติเหอะพ่อแม่มึง คันกอยศูนย์ขึ้นแล้วบ่คือศูนย์ลงเด้สิบอกให้ฮะจังได๋โอ้ยน้อพ่อเอ้ยอย่ามาสวน เดี๋ยวนี้แม่ยังบ่หันไปซื้อเสียงจักโตดุว่าจัง คั่นเครียดหลายเลยหนีหนีไปรถจ้างถ้าข่อยก็บ่งึดดอกไปรถเฮาก้อยกงก้อยเจ้าสิบ่ให้ข่อยศูนย์จังได๋หา พ่อกับมอเจ้าป๋ากันจักเทียแล้วมอเจ้าว่าอันปลายามใดก็คือยังบ่เห็น <là> โอ้ยหิปเฝ้าหนีแต่สิให้อีนี่นี่จ้างซะมันก็บ่หนีเพราะว่าเฮือนหลังจ้างซะแม่ก็บ่เซามันบ่คือแม่อยาก มีผู้ใดเนี่ยสิมาหยีตาฮะไปละอันเฒ่าปอยกองก้อยเฒ่ากอบผิแม่เอ้ยเซาเถียงกันแนถ่อพวกแม่แม่เนาะหืมบัดนี้ ที่น่องภูที่มักเบอบัทยาเป้าอึดอัจจัยจองนั่งฟังงกจนแล้วเท่านี้จำเป็นแล้วความฝันเอ้ยมันภาโพ ขอบหวังล้วยบาทแดงจึงได้ซ้อยกันฝันหัวพระดันทั้งผิดพอว่าเมียรกฝันส่วนไล่ตะพูบทันหวนคอนติง่อย่อนไม่แก้นหัวเกิดความเกียดแชน ว่าสี่ยำต้อนเหนื่องกะลื้ยถึกเอ็นคตเป็นน้ำเมี้ยใจคตดอกใจผู้ผู้เขาอยู่น้ำกันจอกจนเท่าพักกะเดากะท้นลวกจินมกหัวกว่าราบส่างเห็ดกะด่างว่าราบควง เทียวมาขายบักเขือพวงหยอกเฮา เพื่อนี่ลูงไล่ห่างบอกมีทางสิหักพอย่อนหูขอข้างแก่นผู้เมียร์เล่นนอกทั้ง ทานโงวยันอีกครั้งเอาลุยฟ้าให้พาลุงจางให้ควงกระบอร์ควงฟากซื้อควงแก็กสิบก่อกระบอร์งอร์มหา